ซีดีธรรมบัญญายชุดฟังธรรมตามการปีพุทธศกร2545โดยรรพระพรหมคุณาพรปออปยุโตวัดยา น, นเวสกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สอง เด็กยุคนี้โชคดีแต่จะจมอยู่กับที่หรือก้าวหน้าไปบรรยายุวันที่12มกราคมพุทธศักราช2545ขอเจริญพรอนุโมทนาโยมญาติบิดสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตอนนี้ ทางพระทังโยมก็ถือว่าได้มาประชุมกันทํากุศลหรือทําบุญยกิริยาต่างๆแล้ววันนี้ก็มีบุญหลายอย่างโยมนับเอาเองว่ามีอะไรบ้างนี่ในเรื่องบุญที่ทํากันนี่ก็มีเรื่องที่ต้องพูดเพื่อทําความเข้าใจให้ชัดเจนและกันตอนนี้ก็ให้โอกาสแก่ตัวภาพที่จะพูดด้วย ก็เลยขอแบ่งเรื่องที่จะพูดเนี่ยเป็นส่วนส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือเรื่องที่โยมลารพวันที่12มกราคมก็พูดง่ายๆก็คือวันคล้ายวันเกิดของอนุภาพและก็มาทำบุญเลี้ยงพระเรื่องที่สองก็เรื่องวันเด็กซึ่งวันนี้พอดีสำหรับ ปี 2,545 เกิดมาตรงเกิดเข้าก็จะขอพูดไปตามลำดับเรื่องที่หนึ่งเรื่องเกี่ยวกับโยมปลารบวันที่12มกราคมมาทำบุญเลี้ยงพระเนี่ยก็คงจะพูดสั้นๆพอให้ทราบกันเท่านั้นเองสำหรับเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดนี่ก็ถือว่าโยมให้โอกาสแก่ อาตมาภาพพูดเรื่องส่วนตัวได้วันนี้ก็เลยพูดเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยการพูดเรื่องส่วนตัวนี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันคือจะได้เข้าใจกันแล้วก็ปฏิบัติต่อกันได้ถูกต้องอันที่หนึ่งก็คือเรื่องตัววันเกิดว่าถ้าตามใจอัตมาภาพเนี่ยคิดยังไงคิดว่าสำหรับวันเกิดเนี่ย น่าจะเป็นวันที่เราจะอยู่กับพ่อแม่นคือเป็นวันที่เราควรจะให้เวลาแก่ท่านที่ให้เวลาแก่เรามากที่สุดและคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นผู้ให้เวลาแก่ชีวิตของเรามากที่สุดนั้นเมื่อถึงวันเกิดซึ่งเคยพูดบ่อยๆว่าวันเกิดของเราก็คือวันเกิดของพ่อแม่ พอเด็กเกิดลูกเกิดเนี่ยพ่อแม่ก็เกิดด้วยคือเกิดไปพ่อเป็นแม่ยิ่งคนที่ยังไม่เคยมีลูกพอมีลูกทันทีนั่นน่ะลูกเกิดตัวเองก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ทันทีนี่พอลูกคนไหนเกิดพ่อแม่ก็เกิดเป็นพ่อเป็นแม่ของคนนั้นเพราะนั้นวันเกิดร่วมกันเนี่ยสำคัญคนที่เราจะต้องนึกถึงก่อนในวันเกิดก็คือนึกถึงพ่อถึงแม่ อันนี้เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ควรจะให้เวลากับพ่อแม่แต่ว่าแต่ละคนก็มีธุระภารกิจเยอะแยะวันที่ดีที่สุดก็คือวันเกิดเพราะฉะนั้นวันเกิดก็เป็นวันที่ควรจะให้เวลากับคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรแต่ออไรเพื่อท่านถ้าอยู่ห่างกัน ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ถึงวันเกิดก็อาจจะไปอยู่คุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษสักวันทีนี้ถ้าอายุมากขึ้นพ่อแม่ก็จากไปแล้วก็ให้เวลากับท่านผู้อื่นท่านผู้แก่ผู้เฒ่าที่ท่านได้มีส่วนในชีวิตของเราได้ช่วยให้เรานี่ได้เจริญงอกงามขึ้นมาก็คิดว่า ทำแค่นี้ก็ได้หลักแหละส่วนอื่นนะั่นเป็นเรื่องประกอบถึงจะไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าวันอื่นที่เราจะทําเรื่องอื่นได้นะ่ะมีเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องว่าพูดง่ายๆก็คือจะเอายังไงกับวันเกิดน่ยก็ยกให้พ่อแม่นี่แหละวันเนี้ยนี้สองก็คือระยะยาวมองไกลออกไป ว่าจะเอายังไงกับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานี่ก็เนื่องในวันเกิดสืบต่อจากวันเกิดหลายท่านหรือแทบทุกท่านที่เป็นผู้ใหญ่ก็จะพูดกันว่าเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินเดี๋ยวก็ปีเดี๋ยวก็ปีในปี2544ก็ผ่านไปแล้วขึ้นปี2545มาเดียวเดียวสิบวันแล้ว เ, เกือบครึ่งเดือนแล้ว แต่ที่จริงเวลาเนี่ยก็เป็นกลางเราจะไปบอกว่าเร็วหรือช้านะ่ที่จริงไม่ถูกล่ะเป็นความรู้สึกของเราเวลาก็เป็นไปนตามปกติธรรมดาของมันแต่ที่แน่นอนก็คือว่าเรื่องของเราเองเรามีเรื่องต้องทำแล้วก็เราก็ทำไม่ทันเมื่อเราทำไม่ทันเราก็เลยบอกเวลามันรวดเร็วเหลือเกินเหมือนอย่างอัตมภาพเนี่ยก็มีเรื่อง ทำไม่ทันเวลามากมายงานการต่างๆก็ค้างเยอะแยะไปหมดเรื่องเรื่องสําคัญก็ยังไม่ได้ทําตอนนี้ก็ญาติโยมและพระหลายท่านก็บน่นเรื่องนี้ว่างานสําคัญที่ตั้งใจว่าจะทํายังไม่ได้ทำเนี่ยจะจะเอาอยัางไงนี่ก็เลยพูดถึงใจตัวเองตอนนี้ก็คือว่าอยากจะหาที่เงียบๆแล้วก็ถอนตัวจากทุกเรื่อง ไปทำเรื่องที่ค้างอยู่นี้ให้มากเท่าที่ทำได้แม้จะไม่เสร็จก็ยังดีนี่ไอไที่จะให้เสร็จนีะคงเป็นไปไม่ได้แต่ให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนี่ต่อไปก็วันเกิดก็มีอันคือการเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราไปเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายมากมาย ก็เป็นวันหนึ่งที่จะขออภคมาอาภัยต่อทุกท่านผู้อื่นซึ่งเราอาจจะได้ไปล่วงเกินแม้โดยไม่ได้ตั้งใจโดยไม่ได้ตั้งใจนะี่คงเป็นไปได้เยอะล่วงเกินเขานอาจจะทำให้เขาไม่สบายใจอย่างตัวอนุภาพเองนี่ก็มีเรื่องหนึ่งที่ต้องขออภัยมากคือเรื่อง ให้เวลาแก่ผู้อื่นได้ไม่พอนะก็ไม่รู้จะทำไงเนะนี่ยโดยเฉพาะก็คือพวกจดหมายถามมาบางทีก็ถามมาจากต่างจังหวัดไกลๆจากชนบทถามธรรมะบ้างถามโน่นถามนี่พระบ้างเนะพระจากวัดไกลๆอะไรเงี้ยใจจริงนั้นก็อยากจะตอบทุกท่านนะ แต่นี้เวลาตอบเนี่ยก็อยากจะตอบให้ชัดเจนและตอบอย่างจริงจังในการตอบชัดเจนจริงๆก็ใช้เวลามากบางทีเขาถามมาหน้าเดียวเราต้องตอบตั้งห้าหน่านบางทีบางฉบับจดหมายนี่อาตมาว่าต้องตอบเป็นหนังสือเป็นเล่มเล ย, เยซึ่งถ้าทําได้ก็ดีแต่มันไม่ไหวทั้งเวลาและเรี่วแรงกําลังนะัจดหมายก็เลยตกค้าง บางฉบับไม่ได้ตอบมาสามสี่ปีแล้วคือจะตอบแบบเขียนพอผ่านไปเนธรรมไม่ได้จะต้องตอบให้จริงจังและชัดเจนนั้นก็ขอบอกว่าจดหมายทุกฉบับที่มานไนม่ว่ามาจากไหนไม่ได้ละทิ้งเลยเก็บไว้หมดแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ว่ารอเวลาตอบซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ตอบเมื่อไหร่ อาจจะเป็นห้าปีสิบปีเคยมีมืตรการบางฉบับปรากฏวสิปีแล้วจึงได้ตอบนะีท่านผู้นั้นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนแหลนะนแต่ก็ตอบไปจริงจริงนะอันนี้ก็ต้องขอไพร์ไว้ด้วยคือถ้าเผื่อถามมาก็บอกว่าไม่ได้ละทิ้งแล้วก็อยู่ใกล้ๆนั่นแหละนะรอเวลาตอบเท่านั้นเองอันนี้มันก็แข่งกับงานอื่นๆด้วยที่จะต้องทาซึ่งบอกว่า เวลาในชีวิตนี้ก็ไม่พอเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวก็ขออนุญาตมาบอกกล่าวในวันนี้ด้วยเอาแล้วก็บอกแล้วว่าเรื่องส่วนตัวเรื่องเกี่ยวกับวันเกิดเนี่ยไม่ควรจะพูดมากไม่ให้เสียเวลานี้ต่อไปนี้ก็มาพูดเรื่องที่สองซึ่งเป็นเรื่องใหญ่คือเรื่องงานวันเด็กตอนแรกก็ขอทาความเข้าใจก่อน ว่าวันนี้ที่วัดเนี่ยเหมือนกับมีงานวันเด็กหรือว่าวัดจัดงานวันเด็กเลยต้องทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่วัดจัดงานวันเด็กวัดเพียงจะทำหน้าที่ของวัดมีหลักอยู่อย่างหนึ่งแม้แต่ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ก็เขียนไว้บอก ว, ว่าหน้าที่ของวัดของเจ้าวาดอันหนึ่งก็คือให้ความสะดวกในการบาเพ็ญกุศลนี่ อันนี้ก็หมายความว่าญาติโยมสาธุชนทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยมาวัดเนี่ยควรใช้วัดเป็นแหล่งที่ทําบุญทำกุศลหรือบุญญกิริยากันวัดก็มีหน้าที่เอื้ออํานวยความสะดวกแล้วก็เราก็มีประเพณีนี้กันมานานในวัดเป็นที่ที่ญาติโยมมาบำเพ็ญกุศลวัดก็อํานวยความสะดวกต่างๆให้อย่างน้อยก็ให้ที่ จงกระทั่งว่าเรามีงานวัดกันเนะี่ยงานนั้นจนกระทั่งกลายเป็นสนุกสนานมีลิเกมีลำตัดมีอะไรแต่อะไรมหรสพเลยกลายไปไ ป, ไปอยู่ที่วัดนั่นก็คือเรื่องที่วัดอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลอำนวยไปอำนวยมาบางทีไม่เป็นกุศลและวสิใช่ไหมบาเพ็ญไม่เป็นบาเพ็ญกุศลไปแหละเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความเข้าใจกันว่าที่แท้สาระก็คือว่าให้วัดเนี่ยเป็นที่บาเพ็ญกุศล อย่างวันเด็กวันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นการที่วัดเนี่ยอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเนี่ยมาจัดงานทำบุญย ก, กริยากันนผู้ใหญ่เป็นคุณหมอก็มีเป็นโรงเรียนก็มีก็มาเหมือนก็นมาร่วมกับวัดแต่ว่าต้องให้ถือว่าวัดเนี่ยอำนวยความสะดวกโยมมาจัดแล้วก็มาจัดให้กับเด็กนะเด็กก็ได้มาร่วมทำบุญทำกุศลเป็นบุญย ก, กริยา ซึ่งเ่อพูดตามหลักศ า, าสนาก็มีสามอย่างคือทานศีลและภาวนาถ้าพูดเป็นภาษาสมัยใหม่ก็คือทานการให้การเผื่อแผ่แบ่งปันการให้ทรัพย์สินสิ่งของให้ของขวัญให้ทุนการศึกษาเป็นต้นซึงวันนี้ก็มีเรื่องเนี้ยนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องทานก็เป็นบุญญากริยาอย่างหนึ่ง สก็เรื่องศีลเรื่องศีลก็นอกจากกิจกรรมไม่ไม่เบียดเบียนกันแล้วก็เป็นกิจกรรมในการเกื้อหนุนในการส่งเสริมในการเกื้อกูลต่อกันของคนในสังคมเนี่ยนะกิจกรรมแบบนี้ก็ทําได้เยอะแยะซึ่งงานวันเด็กก็ควรจะมีกิจกรรมแบบนี้เป็นสําคัญคือกิจกรรมในการเกื้อกูลซึ่งกันและกันสแสดงออกซึ่งน้าใจไมตรีในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ดีในสังคมนี้ให้สังคมก็าอารมณ์เย็นเป็นสุข และกิจกรรมประเภทที่สก็คือภาวนาพูดเป็นภาษาปัจจุบันก็คือการพัฒนาจิตใจและพัฒนาปัญญาวันนี้เราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยได้คุณธรรมได้ความดีให้มีจิตใจที่โน้มเข้ามาในทางศาสนาในเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องการทำความดีเรื่องความมีการกรตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่มีศรัทธานในศาสนาเห็นคุณค่าของการกระทาความดีต่างๆเหล่านี้ หอย่างน้อยให้ได้สัมพันธ์กันคุณพ่อคุณแม่กับลูกมามีจิตใจดีต่อกันนี่ก็เป็นจิตใจที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแล้วจิตใจก็ร่าเริงเบิกบานผ่องใสก็มีความสุขแล้อีกด้านหนึ่งก็คือพัฒนาปัญญาก็ให้เด็กได้ความรู้มาตอบปัญหากันบ้างมาศึกษาสิ่งต่างๆในวัดมาถ่ายตอบ ป, ปัญหากันโดยเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นทั้งความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วก็เรื่องสิ่งที่พบเห็นในวัดเนี่ยเอามา เป็นข้อมูลความรู้ในการที่จะมาตอบ ป, ปัญหาหรือเล่นกิจกรรมต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลทั้งนั้นแหละอย่างนี้เรียก ว, วัดอำนวยความสะดวกในการบำเพ็ญกุศลเพราะฉะนั้นงานวันเด็กเนี่ยก็ขอทําความเข้าใจกันว่ามีสาระสําคัญคือการที่วัดอำนวยความสะดวกแก่ญาติโยมสาธุชนในการบําเพ็ญกุศล โดยเฉพาะบุญญกิริยาทั้งทานศีลและภาวนาซึ่งเป็นภาษาเก่าถ้าเราเข้าใจความหมายดีแล้วะมันจะกินความหมายกว้างไปตั้ง่ า, าธยารณมามากมายนี้เป็นเรื่องของการที่มีงานวันเด็กเป็นการมาทําบุญร่วมกันของผู้ใหญ่และเด็กๆทั้งหลายหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ตลอดจนคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายกับลูกหลานเลนเนี่ยถ้าได้มากันอย่างเงี้ยในบรรยากาศอย่างนี้คิดว่า จะเป็นประโยชน์มากแก่ชีวิตครอบครัวแก่ชีวิตของเด็กในอนาคตและกับสังคมประเทศชาตินี้เมื่อมาพูดถึงเรื่องวันเด็กแล้วก็ขอพูดต่อไปประกาศที่ผู้ใหญ่จัดให้มีงานวันเด็กเนี่ยก็มองความหมายได้หลายอย่างที่เราจะเห็นง่ายๆกันนึกว่าโอ้ผู้ใหญ่นี่พยายามจะให้เด็กมีความสุขได้สนุกสนานก็จัดกิจกรรมอะไรต่างๆมากมายเหลือเกิน มุ่งเพื่อให้เด็กเนี่ยได้มีความสุขอันนี้ก็เป็นแง่นหนึ่งเด็กก็สนุกสนานเพลิดเพลิน อ, อะไรแต่อะไรกันนี่แต่ว่าคิดว่าสาระที่แท้จริงคงไม่ใช่อยู่แค่นี้เด็กๆต้องคิดว่าเอ๊ะที่ผู้ใหญ่จัดงานวันเด็กนี่เพื่อเราเนี่ยเพื่อให้เราเป็นอะไรเนเพื่อให้เรามีความสุขสนุกสนานเท่านั้นเหรอ ไม่ใช่แค่นั้นที่จริงผู้ใหญ่จัดเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมกำลังใจของเด็กให้เด็กมีกำลังใจที่จะได้เล่าเรียนศึกษามีกาลังใจที่จะได้ทำการสร้างสารรค์ต่างๆจะได้มีความสามารถพัฒนาขึ้นไปจะได้ช่วยกันสร้างสารรค์อนาคตของชาติเพราะเราพูดกันอยู่เสมอว่าเด็กๆเนี่ยเป็นอนาคตของชาติ เด็กจะเป็นอนาคตของชาติอย่างไรผู้ใหญ่เห็นความสําคัญก็เลยมาจัดอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นงานวันเด็กเนี่ยเพื่อจะส่งเสริมสนับสนุนนั้นเด็กจะได้ประโยชน์จากวันเด็กที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ความสนุกสนานแน่นอนนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าผู้ใหญ่มาปลนเปลือเด็กมาบำรุงบำรรเด็กไม่ใช่อย่างงั้นเด็กนี่ผู้ใหญ่มุ่งจะให้ส่งเสริมกำลังใจไม่ใช่ช่วยสนุกช่วคราวเฉพาะหน้าสิ่งสําคัญก็คืออนาคตโน่น ทั้งอนาคตของตัวเด็กเองทั้งประเทศชาติทั้งครอบครัวเนี่ยอันนี้อยู่ในมือของเด็กผู้ใหญ่หวังอนนันนั้นว่าหวังอนาคตเนี่ยก็เลยมาช่วยกันจัดงานวันเด็กเป็นต้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนเด็กมีกําลังใจนะผู้ใหญ่นี่ร่วมสนับสนุนผู้ใหญ่เป็นกําลังใจอย่างดีแล้วก็ให้เราได้โอกาสที่จะศึกษาหาความรู้เป็นต้นเราก็จะได้ สามารถหรือมีความพร้อมที่จะสร้างสรรค์ชีวิตของเราเองสร้างสรรค์ครอบครัวสร้างสรรค์สังคมประเทศชาติของเราให้เจริญวัฒนาต่อไปอันนี้คิดว่าเป็นจุดที่สําคัญถ้าได้อันนี้แล้วก็เป็นความสําเร็จในการจัดงานวันเด็กถ้าอยู่แค่สนุกสนานจบไปก็ไม่มีอะไรนี่ดีไม่ดีเด็กก็เลยมัวเมาไปเลยนีลุ่มหลงแล้วก็ดีไม่ดีก็อ่อนแอนี่ เด็กนอกจากสนุกสนานแล้วก็ต้องให้ได้สาระไปก็คือว่าให้นึกว่าโอ้วันนี้คุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่นี่ตั้งใจส่งเสริมเรานะี่นะให้เราเนี่ยได้เป็นกำลังของประเทศชาติเป็นอนาคตที่ดีเป็นผู้สร้างสรรค์ความเจริญงอกงามเราจะทํายังไงเราต้องมีกำลังใจเป็นเบื้องต้นแล้วต่อจากนั้นก็สะสมกำลังอื่นๆขึ้นไปให้พร้อมที่จะทาให้สาเร็จนี่เป็นเรื่องของงานวันเด็กที่เราทั้งหลายเนี่ย มาจัดกันอยู่นี้สําหรับเด็กในยุคปัจจุบันเนี่ยนับว่าเป็นเด็กที่โชคดีเกิดมาในยุคสมัยที่มีความพรั่งพร้อมมากถ้าพูดง่ายๆก็คือมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสุขความสะดวกสบายมากมายไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนถ้าเทียบกันแล้เด็กสมัยก่อนนี่เกิดมายากลำบากมากเช้ามากกว่าจะได้รับประทานอาหารนี่ต้องมีเตา ต้องติดไฟเนะี่ยต้องสาวข้าวต้องยกหม้อข้าวขึ้นตั้งเนะี่ยต้องพัดไฟโบกไฟแล้วเด็กๆ ก, ก็ต้องช่วยคุณพ่อคุณแม่นะไม่ใช่ว่าจะคุณพ่อคุณแม่ทำให้ไฟเดียวเนะี่ยบางทีเด็กต้องเป็นฝ่ายทำแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งงานกันในครัวใช่ว่าคุณแม่ก็ไปทำเรื่องกับข้าวเอาลูกก็มาติดไฟหุงข้าวเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยก็ต้องมีงานมีการทาเด็กสมัยนี้สบาย หม้อข้าวขุ่นข้าวก็เสียบไฟปุ๊บตั้งปับ๊บเดี๋ยวเสร็จแล้วเนะีเดี๋ยวได้รับประทานแล้วเด็กก็เลยไม่รู้จักความลำบากเด็กสมัยนี้ก็เลยมีความสะดวกสบายก็เลยพูดง่ายๆว่าโชคดีนะีนี้ว่าเมื่อโชคดีแล้วเราจะใช้โชคดีเป็นไหมอันนี้เป็นเรื่องสําคัญอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆพวกเทคโนโลยีเป็นต้นเนี่ยมันก็มองได้สองอย่างคือหนึ่งมองไปเครื่อง อำนวยความสะดวกให้ความสุขแม้แต่ไปเครื่องบำรุงบำเรอความสุขไปเลยเนะเราก็จะเห็นทีวีเออจะได้ความสุขสนุกสนานมีคอมพิวเตอร์เล่นเกมมีอะไรต่ออะไรสนุกสนานเยอะแยะไปหมดนี่มองในแง่หนึ่งแต่มองอีกแง่หนึ่งเรามีอุปกรณ์สำหรับทำการสร้างสารศึกษาหาความรู้มากมายนะีนี่อยู่ที่การมอง แต่ว่าเป็นโชคดีทั้งสองอย่างแล้วจะใช้โชคดีอย่างไรถ้ามองในแง่ว่าเป็นเครื่องบำรุงบำเรอความสุขแล้วก็ติดอยู่แค่นั้นแหละก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาปรนเปลเราหาความสุขไปสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามองอีกแบบว่าเรามีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วยในการศึกษาหาความรู้และทําการสร้างสารรค์ต่างๆ ต, ตอนนี้แหละมันไม่จบแล้วมันไม่อยู่แค่วันนี้มันจะต้อง เรียนรู้ศึกษาพัฒนากันต่อไปทั้งชีวิตของเราและสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาช่วยให้เราสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองเสร็จแล้วเราก็อาศัยมันเนี่ยแล้วเราก็พัฒนามันด้วยคนที่เก่งจริงเนี่ยเขาไม่ใช่เพียงใช้สิ่งของนะเขาต้องพัฒนาสิ่งของสร้างสรงสรค์สิ่งของต่อไปให้เจริญงอกงามงอกงามขึ้นไปไม่ใช่เป็นผู้ใช้ของที่คนอื่นส่งมาทำให้มาเท่านั้นนี่ยนี่เวลาเนี่ย เด็กของเรานี่ต้องมองให้ครบอย่ามองสิ่งทั้งหลายหรือความมีโชคดีมีสิ่งทั้งหลายอำนวยความสะดกสบายอย่ามองเป็นเพียงเครื่องบำเรอความสุขหาความสุขต้องมองเป็นโชคดีในการที่จะมีอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้และทำการสร้างสารรค์ต่างๆมองไปให้ไกลข้างหน้านนและให้กว้างด้วยอันนี้สิ่งต่างๆที่เราได้มาบำรงบำเรอความสุข สนุกสนานต่างๆเหล่านี้มากมายเนี่ยโดยมากมันไม่ได้เราไม่ใช่เราสร้างขึ้นนะคิดให้ดีอ่ะแม้แต่พูดกันเป็นประเทศไทยเนี่ยวัสดุอุปกรณ์เนี่ยแม้แต่เครื่องถ่ายวิดีโอที่เอามาฉายกันมถ่ายตอนนี้ก็ไม่ได้ทำในเมืองไทยเลยปรากฏว่าทำจากประเทศญี่ปุ่นบ้างโดยมาก อุปกรณ์ระดับนี้ก็ญี่ปุ่นถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆก็มีอเมริกายุโรปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่มีทําในเมืองไทยเลยในอุปกรณ์เหล่านี้เราเอามาเสเวยความสุขกันเนี่ยมันยุติธรรมหรือเปล่าเนี่ยเราต้องคิดให้ดีแล้วเราใช้ได้ถูกหรือเปล่าเราเอาอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยในการสร้างสารรค์ต่อไปหรือมันมาจบอยู่แค่เราเนี่ยพอใช้แล้วก็จบแล้วก็แตกหักสลายไปแล้วก็หมด แล้วกันเราก็มองต่อไปว่าอในเมื่อสิ่งเหล่านี้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้สร้างมาจากเมืองนอกอะไรคือความเจริญที่แท้จริงลองมองให้ดีความเจริญที่แท้จริงคือวัตถุอุปกรณ์สิ่งของที่เราใช้หรือว่ากระบวนการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้เป็นความเจริญกันแน่อขอให้เด็กคิดดูน อย่างเราสนุกสนานมีการบันเทิงมีการเต้นอะไรต่างๆกันเนี่ยโอ้สนุกมากมีแสงเสียงสีต่างๆมากมายเด็กก็เพลิดเพลินผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินไม่ไม่ใช่พอเด็กอะผู้ใหญ่ก็เพลิดเพลินดีไม่ดีผู้ใหญ่เนี่เป็นผู้นำด้วยสิเป็นตัวอย่างในการเพลิดเพลินหลงโมเมานำเด็กไปก็เพลิดเพลินกับแสงสีเป็นต้นการเต้นการแสดงต่างๆเนี่ยอันนั้นเป็นความจเจริญหรือเปล่า สิ่งเหล่านั้นมันเกิดมีปรากฏมาถึงเราได้ด้วยอะไรโน่นสิสิ่งที่รองรับเป็นสื่อนำมาเบื้องหลังนั้นคือเทคโนโลยีหลักต่างๆพวกเทคโนโลยี ต, ต่างๆเหล่านั้นที่มาได้มันเกิดขึ้นได้ยังไรแหมมาเกิดมาจากหนึ่งความรู้สองความคิดสามการประดิษฐ์สร้างสรรค์ใช่ไหมไอ้นี่สิตัวความจริญที่แท้จริง แล้วเรามีไหมเรามีแต่ผลิตผลแห่งการรู้การคิดและการประดิษฐ์สร้างสรรค์แล้วเราก็เอามาใช้บํารุงบํำรุงตัวเองไอ้นี่มันไม่ใช่ตัวความเจริญที่แท้จริงตัวความเจริญที่แท้จริงตกลงเมื่อเราดูไปแล้วอย่างประเทศอเมริกาหรือญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยที่เป็นตัวความเจริญเนี่ยไม่ใช่วัตถุเหล่านี้แต่กระบวนการสร้างสรรค์ที่ประกอบด้วยหนึ่งความรู้สองความคิด3การประดิษฐ์สร้างสรรค์เนี่ย สขั้นตอนสำคัญนี่สิที่จะเป็นตัวทำให้เกิดความเจริญพอเราแยกแยบวิเคราะห์ดูเวลานี้เราบอกว่าเราอยากจะเจริญอย่างฝรั่งแม้กระทั่งญี่ปุ่นตามเขามีอะไรดีๆใหม่ๆ ม, มาเป็นสิ่งเสรีบริโภคเราก็อยากมีเราก็มีอย่างนั้นมีแล้ว ก, ก็โก้เรารู้สึกว่าเราจเจริญ ง, งอกงามนี่วิเคราะห์กันไปแล้ไอันนี้ไม่ใช่ตัวความเจริญ แล้วไปดูวิเคราะห์ตัวผู้สร้างความเจริญมีอะไรบ้างเราก็จะเห็นว่าอ้าวยังอเมริกาเนี่ยที่มาถึงเราที่เราลุ่มหลงเพลิดเพลินกันมากนี่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่ปรากฏมีขึ้นในสังคมของเขาเป็นด้านหนึ่งของสังคมเท่านั้นวิถีชีวิตของมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเนี่ยเขาเรียกกันว่าวัฒนธรรมอันนี้ถ้าเราแยกในแง่นี้แล้วฝรั่งเนี่ยยังอเมริกาก็มีวัฒนธรรมด้านต่างๆ วัฒนธรรมด้านที่ปรากฏแก่เราเราชอบมากก็คือวัฒนธรรมการบันเทิงเวลานี้อเมริกันนี่คุยเลยบอกว่าวัฒนธรรมบันเทิงของอเมริกันนี่แพร่หลายได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะประเทศต่างๆก็ตื่นกับวัฒนธรรมการบันเทิงของฝรั่งฮอลลีวูดเจริญงอกงามนะพวกวิดีโอพวกอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องของการบันเทิงนี่เป็นอุตสาหกรรมที่นํา รายได้เข้าประเทศอเมริกามากมายเหลือเกินมหาศาลเลยอันนี้ก็เป็นความภูมิใจยอย่างหนึ่งในแง่ของเขาที่เข้ารายได้เข้าประเทศเอา้าววัฒนธรรมการบันเทิงนี่เป็นด้านหนึ่งเท่านั้นของประเทศอเมริกาแต่วัฒนธรรมส่วนนี้เป็นวัฒนธรรมส่วนที่เขาเอามาหาไรายได้ถ้าว่าในแง่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ แต่วัฒนธรรมที่จะผลิตทำให้สิ่งบันเทิงเป็นต้นหรืออะไรมันจะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศของเขาจเจริญขึ้นมาเนี่ยคือวัฒนธรรมอะไรอเมริกานี่วันนี้เอาแค่3วัฒนธรรม 1. วัฒนธรรมที่เห็นง่ายที่สุดวัฒนธรรมการบันเทิง 2. ลึกลงไปคือวัฒนธรรมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมการผลิต อันนี้เป็นเรื่องใหญ่อุตสาหกรรมในการผลิตที่ออกมาเป็นสิ่งบันเทิงผลิตภัณฑ์สิ่งเสพบริโภครายได้ต่างๆเนี่ยมันมาจากอุตสาหกรรมเขาสร้างอุตสาหกรรมกันมาเป็นร้อยรปีวัฒนธรรมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆเขาเรียกว่าวัฒนธรรมการผลิตเนี่ยถ้าไม่มีการผลิตเนี่ยมันไม่เกิดสิ่งเหล่านี้แล้วผลิตจากอะไรจากอุตสาหะอุตสาหะแล้วความขยันหมั่นเพียร อุตสาหกรรมแปลว่าการกระทําด้วยความอุตสาหะคือการกระทําด้วยความขยันหมั่นเพียรถ้าคนมองไม่เป็นก็อุตสาหกรรมก็คือกระบวนการที่จะสร้างสิ่งเสพบริโภคให้ได้กินได้ใช้บํารุงบาเรอความสุขอันนี้พวกนี้มองแบบนักบริโภคถ้ามองแบบนักผลิตซึ่งมองตามความหมายที่แท้จริงเพราะอุตสาหกรรมมันชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าอุตสาหกรรมเป็นการกระทําด้วยอุตสาหะแปล ว, ว่าความขยันหมั่นเพียรการฮึดสู้นั่น เ, น อ, นเอง อุตสาหะเนี่ยเราฮึดสู้หมายความสู้ความยากลําบากมันมีความยากลําบากในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยมากมายคนที่จะทําการอุตสาหกรรมได้สาเร็จต้องมีความขยันนัทฝรั่งจึงบัญญัติคำว่าอุตสาหกรรมในภาษาอังกฤษว่า industry ซึ่งแปลว่าความขยันหมั่นเพียร น, นั้นคนใดไม่มีความขยันหมั่นเพียรไม่มีทางมีอุตสาหกรรมประเทศไหนจะรอกินเศษ บ, บริโภคจะพัฒนาอุตสาหกรรมไม่มีทางสําเร็จได้แต่เป็นเหยื่อเขา หรือว่าให้เขามาประกอบอุตสาหกรรมในนี้ให้ดินแดนเขาให้แรงงานราคาถูกเป็นต้นถ้าตัวเองจะเจริญในอุตสาหกรรมตัวเองต้องมีอินดัสทรีต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องมีอุตสาหะจึงจะทำได้สำเร็จก็คือมีวัฒนธรรมการผลิตนั่นเองเพราะนั้นเราไม่ใช่นักผิดก็ไปไม่รอดถ้าเป็นนักบริโภคเนี่ยนไปไม่ไหวอุตสาหกรรมมาเจริญทีนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมอุตสาหกรรมก็ต้องดูว่า เรามีไหมถ้าเราอยากจเจริญ จ, จริงสร้างสารร์ประเทศชาติเราต้องมีวัฒนธรรมการผลิตให้ได้แต่ว่าลึกลงไปกว่า น, นั้นวัฒนธรรมการผลิตจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะสำเร็จได้อย่างไรคนไม่มีความรู้แล้วมนทำอุตสาหกรรมไม่ได้หรอกไม่รู้จะผลิตยังไงจะเอาอะไรมาผลิตจะเอาจากที่ไหนจะทำกระบวนการในการผลิตอย่างไรวัตถุ ด, ดิบมันจึงจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ย มันต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นมันก็เลยโยงไปหาวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แหล่งความรู้สําคัญของอุตสาหกรรมในยุคปัจจุบันก็คือวิทยาศาสตร์อาศัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์คือการค้นคว้าทดลองแสวงหาความรู้นี้ก็ทําให้เราได้ความรู้มาแล้มาพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมอีกทีหนึ่งนั่นจึงมีวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งก็คือวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้หรือพูดง่ายๆว่าวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ฝรั่งมี3ด้านเนี่ย 1. วัฒนธรรมการสแสวงหาความรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์2วัฒนธรรมอุตสาหกรรมหรือวัฒนธรรมการผลิตและ3วัฒนธรรมการบันเทิงที่มาสําแดงเดชใหญ่โตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้นี้คนไทยเราก็ไปเพลินวัฒนธรรมบันเทิงเนี่ยซึ่งเป็นส่วนผิวเผินของเขาเนี่ยถ้าอย่างนี้ไปไม่รอดนั้นเด็กไทยจะต้องมีความเข้มแข็งต้องก้าวทะลุวัฒนธรรมการบันเทิง ลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิตแล้วก็ลงไปลึกลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้เด็กไทยเรามีไหมจิตใจที่เป็นนักฝ่ายหาความรู้เนี่ยแสวงหาความรู้ต้องการรู้อะไรแล้วต้องหาจนเจอต้องให้รู้จริงให้ได้ถ้าไม่รู้จริงไม่ยอมหยุดถ้าอย่างนี้ล้วก็ไปได้สังคมไทยถ้าไม่มีอย่างนี้ไม่มีหวังนะนั่นฝรั่งที่จเจริญเนี่ยพื้นฐานที่แท้จริงคือวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์แน่นอนไม่มีทางเถียง นั้นเรามีไหมแค่จะหาเด็กนักเรียนเรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์เดี๋ยวนี้หายากเต็มทีในประเทศไทยเพราะนั้นเราจะพัฒนาประเทศชาติเนี่ยต้องคิดกันให้ดีเนเอาละอย่าติดอยู่กับสิ่งผิวเผินคือวัฒนธรรมการบันเทิงสนุกสนานอยากรู้ทันแล้วก้าวลึกลงไปให้ถึงวัฒนธรรมการผลิตแล้วลึกลงไปอีกให้ถึงวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้ พัฒนาเรื่องการฝ่ายหาความรู้ขึ้นมาให้ได้เนี่ยเรื่องการแสวงหาความรู้ต่อจากรู้และก็ต้องคิดเป็นเนี่ยแต่คิดกับรู้เนี่ยต้องย้ําบ่อยๆเวลานี้บางทีบอกว่าให้เด็กเป็นนักแสดงความคิดเห็นอย่าเพิ่งพูดการแสดงความคิดเห็นต้องคู่กับการแสวงหาความรู้การแสดงความคิดเห็นต้องตั้ ง, งอยู่บนฐานของความรู้ หมายความว่าแสดงความคิดเห็นบนฐานของการมีความรู้ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นเรื่อยๆอย่างนั้นเขาเรียกว่าแสดงเหตุความคิดเห็นไปตามชอบใจไม่ชอบใจถ้าเอาแค่ตามชอบใจไม่ชอบใจไปไม่รอดใครก็แสดงได้ความคิดเห็นข้อสำคัญที่ขาดก็คือความรู้ 1. ต้องหาความรู้ 2. เมื่อมีความรู้แล้วต้องรู้จักคิดคนมีความรู้แต่คิดไม่เป็นเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ไม่ได้ นีคนที่คิดเป็นก็เอาความรู้มาใช้ประโยชน์ได้แต่คนที่คิดโดยไม่รู้ก็ไม่ได้เรื่องก็เลหลวไหลเลื่อนลอยนั้นรู้กับคิดนี้ต้องคู่กันจะขาดกันไม่ได้แต่ว่านักสวงหาความรู้ต้องมาก่อนแล้วการคิดนีก็คิดที่เป็นพื้นฐานก็คือคิดหาความรู้นะถ้าคิดหาความรู้นี่จะเก่งมากมันจะมาหนุนกันเลยคิดยังไงจะได้ความรู้จะไปหาความรู้ที่ไหนเวลาจะหาความรู้ให้ได้ดีเนี่ยมันต้องเป็นนักคิดด้วย คิดกับรู้คู่กันไปพอรู้คิดแล้วก็มาสู่การประดิษฐ์สร้างสรรค์นําเอาก็การสร้างสรรค์ก็คือการคิดเป็นนำเอาความรู้เนี่ยออกมาทําให้เป็นประโยชน์การคิดเป็นนำเอาความรู้ที่มีอยู่มาใช้เป็นประโยชน์ก็เกิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ขึ้นมาการริเริ่มต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ได้ครบสามประการเลยการรู้การคิดการประดิษฐ์สร้างสรรค์ต้องทําให้ครบกระบวนการ เรื่องนี้ก็เป็นข้อที่สาคัญก็เลยข อ, อนำ ม, มาเตือนพวกเราไว้ไม่เฉพาะเด็กเท่านั้นผู้ใหญ่ด้วยเรื่องที่จะต้องพูดเนี่ยมีเยอะเพราะเรื่องวันเด็กเนี่ยถ้าเรายอมให้เด็กเป็นอนาคตของชาติเนี่ยเราต้องพูดกันมากทำความเข้าใจกันให้เยอะผู้ใหญ่เองก็ไม่ใช่มาทำแบบบำรุงบำรเลเอาใจเด็กนะต้องรู้ว่าจัดงานเด็กเพื่ออะไรเราส่งเสริมเพื่อให้เขามีกาลัง ความสามารถที่จะไปสร้างสรรค์ประเทศชาติให้มีอนาคตที่แน่ใจมั่นใจต่อไปนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าวัฒนธรรมฝรั่งถ้าเราจะตามเนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ตามไม่ถูกตามไม่ทันนที่ว่าตามก็ตามไม่จริงนไปตามการบันเทิงตามการเสพบริโภคเนี่ยมันผิวเผินเลอะเกินมันไม่ลึกเลยนักตามที่แท้จริงมันไม่ตามผลมันตามเหตุนะน ตามเหตุเนี่ยสำคัญมากเราต้องศึกษาว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้ฝรั่งเจริญใช่แล้วศึกษาดูเหตุก็ทำเหตุเราต้องเป็นนักทำเหตุไม่ใช่เป็นนักเสวยผลพอฝรั่งทำผลมาแล้วก็มาบริโภคกันอย่างนี้ก็จมเท่านั้นเองไปไม่รอดนั่นก็เอาเป็นว่าต้องมีหนึ่งวัฒนธรรมการแสวงหาความรู้วัฒนธรรมวิทยศาศาสตร์ สวัฒนธรรมการผลิตวัฒนธรรมปุตสาหกรรมที่แท้จริงต้องขยันหมั่นเพียรและก็สวัฒนธรรมบันเทิงอันนี้ผิวเผินมากอย่าไปติดอย่าไปหลงเลยเอาทำมาอย่างรู้เท่าทันท่าเรียกว่าอย่างน้อยก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคเอาหลักโภชเนมัตตันยุตาความรู้จักประมาณในการบริโภคมาแล้วเราก็จะสามารถทันเขาจริงๆการทันของเราคืออย่างไร ฝรั่งญี่ปุ่นสร้างอะไรมาเราเอาเป็นฐานแล้วยืนขึ้นบนฐานนั้นก้าวต่อไปไม่ใช่ว่าเขาสร้างความเจริญอะไรมาเต็มไปหมดเราก็จมอยู่ใต้ความเจริญนั้นสิ่งเสร บ, บริโภคมามากมายความเจริญต่างๆมาเราก็จมอยู่ภายใต้ภาพความเจริญนั้นเสวยสุขบริโภคนี้เรียกว่าจมอยู่ภายใต้ความเจริญนั้น ถ้าเราเก่งจริงเนี่ยเราเอาความเจริญที่เขาสร้างมาเป็นฐานเลยคอมพิวเตอร์ทีวีอะไรต่างๆเนี่ยเราทําไงจะให้เป็นฐานของการที่เราจะก้าวต่อไปนักสร้างสรรค์ที่แท้จริงจะต้องรู้จักปฏิบัติต่อความเจริญอย่าเอาความเจริญนั้นมาหมกตัวจมอยู่ภายใต้ความเจริญเด็กของเราจะต้องเอาความเจริญที่มีอยู่ที่มาจากเมืองนอกเนี่ยเป็นฐาน แล้วยืนขึ้นเหนือบนความเจริญนั้นก้าวต่อไปก็เขาอุตส่าห์สร้างมาตั้งเยอะก้าวมาถึงนี่เรากลับไปจมอยู่ภายใต้นั้นมันจะไปรอดอะไรเพราะนั้นพิธีปฏิบัติที่ถูกมันก็ง่ายๆนี่แหละก็เขาสร้างความเจริญมาเท่าไหร่มันก็เป็นโอกาสแกเราแล้วเราก็เอาความเจริญทั้งหมดนั้นมาเป็นฐานเราก็ยืนขึ้นไปบนความเจริญนั้นก้าวต่อไปอย่างนี้มันจึงจะฉลาดถ้าทําไม่ได้อย่างนี้ต้องขออภัย ญาติโยมคงต้องหาคํามาใช้ให้เหมาะแล้วถ้าโยมพูดโยมคงบอกว่าโง่นะใช้ความเจริญไม่เป็นถ้าใช้ความเจริญเป็นต้องเอามาเป็นฐานก้าวต่อไปอ้าวแล้วเราจะทําได้ไหม mm hmm. เด็กของเราเนี่ยเอาความเจริญที่ฝรั่งก็ตามญี่ปุ่นก็ตามสร้างมาทั้งหมดเนี่ยเป็นฐานให้แก่ตัวเรายืนขึ้นบนนั้นแล้วก้าวต่อไปนี้คือนักสร้างสรรค์ที่แท้จริงและจะเป็นอนาคตของประเทศชาติได้ ก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่อยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ให้เด็กช่วยกันคิดเวลานี้เสียงจากผู้ใหญ่แม้แต่ครูอาจารย์จำนวนมากบอกว่าเด็กไทยอ่อนแอว่างั้นเด็กจะยอมรับไหมว่าตัวเองอ่อนแอนนี้วันนี้ก็เป็นเวลาที่ตรวจสอบตัวเราด้วยน ะ, นะเวลานี้มีข้อกล่าวหาอาจจะไม่ใช่ข้อกล่าวหาก็ได้อาจจะเป็นข้อมูลความจริงก็ได้เขาบอกว่าเด็กไทยตอนนี้อ่อนแอมาก งานการการศึกษาเล่าเรียนไม่สู้เลยนะีจะเอาจากการปลนเ ป, ปลอสะดวกสบายอย่างเดียวถ้าคนอ่อนแอนี่มีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือเป็นคนที่ทุกได้ง่ายสุขได้ยากปลนเปลอกันไปเท่าไรก็สุขไปทีหนึ่งเดี๋ยวก็เรียกร้องมากขึ้นปลนเปลอไม่ไหวอนนี้ขาดอะไรนิดหน่อยก็ทุกเนะี่ยอย่างนี้อยู่ไปก็แย่เนะี่ยเขาเรียกกาเป็นคนที่ทุกได้ง่ายสุขได้ยากปลนเปลอกกันเดียเเด๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็ ลำบากเพราะฉะนั้นคนที่เข้มแข็งจริงเนี่ยเป็นคนที่สุขได้ง่ายแต่ทุกได้ยากข้อพิสูจน์ไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้เด็กเลยนะีถ้าเป็นคนที่เข้มแข็งนะสุขได้ง่ายทุกได้ยากแต่ถ้าคนอ่อนแอนี่สุขได้ยากทุกได้ง่ายเนะีเจออะไรต้องทํานิดหน่อยทุกแล้วถ้าเด็กที่เข้มแข็งนะเจออะไรต้องทำํำไม่เป็นไรนะีฉันสู้ทั้งนั้นแล้วฉันจะทํามันยังมีความสุขด้วย ถ้าคนที่เข้มแข็งจะมีความสุขจากการทาด้วยนะถ้าคนที่อ่อนแอจะมีความสุขจากการเสพอย่างเดียวได้เสพเมื่อไรก็สุขถ้าต้องทำมามั่ไรทุกทันทีแต่เด็กที่เข้มแข็งนี่มีความสุขจากการกระทาเวลาทำการสร้างสรรค์ต่างๆนี่แกมีความสุขมากนะและแก็กทำก้าวต่อไปเด็กไทยจะต้องมีความสุขจากการสร้างสรรค์ไม่ใช่สุขเพียงแค่เสพถ้าจะให้ครบชุดก็ ไม่สุขเพียงจากเสพต้องสุขจากศึกษาและสุขจากสร้างสรรค์ด้วยนะถ้าศึกษาหาความรู้แล้วมีความสุขคุณพ่อคุณแม่หาหนังสือให้อ่านไม่ทันเลยนะโตหาข้อมูลอยากรู้โออย่างนี้เด็กยังมีความสุขจากการหาความรู้เป็นไอสไตล์ได้เลยนะไอสไตล์นี่แกไม่ต้องมาบำรุงบำเ ล, ำลหาความสุขหรอกแกคิดอยากจะรู้ความจริงของธรรมชาติ แกคน้นคว้าแกนั่งหาความรู้แกปล่อยหัวกระเซิงเลยผมผมไม่ต้องตัดนะแกมีความสุขตลอดเวลานี่คือความสุขของนักวิทยาศาสตร์ความสุขจากการศึกษาการหาความรู้เด็กของเรามีกี่คนที่มีความสุขจากการศึกษาหาความรู้หายากใช่ไหมนี่ก็เป็นเครื่องหมายความอ่อนแอแล้วก็มีความสุขจากการสร้างสรรค์จากการทําการประดิษฐ์คิดคน้นทําอะไรต่างๆทดลอง ทำงานทำการที่อยากจะทำเนี่ย เ, เห็นคุณค่าเป็นประโยชน์ทำเข้าไปยิ่งทำยิ่งมีความสุขอย่างเงี้ยพ่อแม่ยิ้มได้เลยนะ เ, เด็กจะมีความเจริญงอกงามแต่ถ้าเด็กมีความสุขจากการเสพบริโภคพ่อแม่เตรียมตัวนั่งน้ำตาเช็ดหัวเข่าได้นี่นก็ขอให้เรามาคิดกันให้ดีจะพัฒนาประเทศชาติสังคมของเราจะเอาอยัางไงนี่เด็กไทยเนี่ย ต้องคิดดูแล้ววันนี้ตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยอ่อนแอจริงตามคําที่มีผู้กล่าวหาหรือไม่อันนี้เรื่องกําลังเนี่ยพิสูจนก็ได้หลายอย่างมันมีกําลังอะไรอีกบ้างกําลังกา ย, ยกําลังกายนี่ก็เล่นกีฬาเป็นต้นบริหารร่างกายให้ดีเวลานิเสเซบริโภคจนเสียกําลังกายจนกระทั่งคุณหมอต้องมาตั้งกิจกรรมวันเด็กอันหนึ่ง จุดหที่ว่ากลัวเด็กไทยจะอ้วนเป็นเบาหวานเด็กเป็นเบาหวานผู้ใหญ่กันตั้งแต่เด็กๆนะท่านก็มีความปรารถนาดีนี่ทั้งถ้า ท, ที่มีความสุขความเจริญเนี่ยมันแย่ลงมันอ่อนแอแม้แต่ร่างกายนั้นต้องทําร่างกายให้แข็งแรงมีสุขภาพดีรู้จักประมาณในการบริโภครู้จักกินอาหารให้เป็นการศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็นวันนี้คุณหมอก็มาจัดเต้นตั้งเรื่องนี้ด้วยนี่กําลังกายนะ กำลังกายไม่พอต่อไปกําลังใจกําลังใจก็ต้องมีเป็นส่วนสําคัญเป็นตัวรองรับเป็นตัวหนุนเป็นเบื้องหลังของกําลังกายถ้าไม่มีกําลังใจนะกำลังกายจะใช้ผิดก็ได้อาจจะไปใช้ในทางเสียหายเอาไปรบราคาฟันเอาไปตีกันยกพวกตีกันอะไรต่างๆที่เกิดเรื่องกันเวลานี้ก็เพราะเด็กขาดกําลังใจมีแต่กําลังกายกําลังใจก็คือกําลังของจิตใจที่ดีงามมีคุณธรรมเป็นต้น มีกําลังใจหนึ่งกำลังใจที่จะควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องได้นะีคนไม่มีกําลังใจไม่เข้มแข็งเนี่ยมันควบคุมตัวเองไม่ได้มันอ่อนแอมันแพ้ต่อสิ่งยั่วยวนต่อความชั่วนี่คนที่มีความเข้มแข็งมีกําลังใจดีนี่มันสู้ได้มีความชั่วเกิดขึ้นกิเลสเกิดขึ้นมีความเข้มแข็งยับยั้งใจตัวเองควบคุมตัวเองให้อยู่ในความถูกต้องชอบธรรมอันนี้คือกําลังใจอันที่หนึ่ง สองกำลังใจที่จะทำกิจการต่างๆไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยไม่ไระยองานอะไรมาการศึกษารเลร่าเรียนมาฉันทำได้สู้ตลอดนะเราเป็นนักสู้บอกว่าชีวิตพระพุทธเจ้าตราัสไวแล้วมนุษย์นี่จะประเสริฐด้วยการฝึกถ้าไม่ฝึกหาประเสริฐไม่การฝึกที่ดีก็คือต้องมีแบบฝึกหัด คนเรามีแบบฝึกหัดทำแบบฝึกหัดมากก็จเจริญ ง, งอกงามมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐถ้าไม่ฝึกก็หาประเสริฐไม่คนไม่ทำแบบฝึกหัดก็ไม่พัฒนาดังนั้นก็ต้องพยายามทำแบบฝึกหัดให้มากๆพ่อแม่ก็ต้องรู้จักหาแบบฝึกหัดให้เด็กทำท่านเรียกว่าใช้บทอุเบกขาแนละจะมีตเมตตากรุณาเมตตาไม่ได้เอาอเบกขามาก็หาแบบฝึกหัดให้ลูกทำแล้วก็เป็นเพื่อนลูก ให้ลูกมีกำลังใจในการทำแบบฝึกหัดเด็กก็จ ะ, จะเจริญ ง, งอ ง, งามและมีความเข้มแข็งด้วยมีความสุขเป็นด้วยกำลังใจนะนี่ต่อไปกำลังปัญญานี่สำคัญที่สุดเลยกำลังการแสวงหาความรู้นะรู้จักแสวงหาความรู้มีกำลังในการหาความรู้เอาความรู้มาใช้ความคิดนะก็ต้องคิดให้เก่งนี่ก็เป็นกาลังปัญญาคนไหนคิดเก่งก็สามารถ ประดิษฐ์คิดคนสามารถแก้ปัญหาได้ดีก็ต้องมีกําลังปัญญาในทางความคิดเนี่ยคิดให้เก่งแล้วก็เอาสิ่งที่ได้ประสบทุกอย่างมาใช้ประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเจอคอมพิวเตอร์เออเราจะเอาประโยชน์จากมันยังไงทําไงจะให้เป็นประโยชน์กับชีวิตแก่ครอบครัวแก่คุณพ่อคุณแม่แก่สังคมประเทศชาติเราไม่ใช่เจอคอมพิวเตอร์ก็เออเราจะได้สนุกโก่สถีอย่างนี้ไปไม่รอด พอเจอคอมพิวเตอร์ต้องคิดแล้วว่าเออเราจะใช้มันยังไงในการสร้างสรรค์นี่คนมีปัญญาต้องคิดอย่างนี้แหละพอคิดปั๊บเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ประโยชน์ยังไงได้บ้างหนึ่งศึกษาหาความรู้สองทำการงานสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตเราพัฒนาความคิ ด, คดจิตใจพัฒนาความสามารถพัฒนาประเทศชาติสังคมต่อไปเนี่ยเจออะไรต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์ให้หมดความเจริญของฝรั่งญี่ปุน่นทํามาสิ่งประดิ ษ, ษฐ์ผลิตภัณฑ์ศาสตร์กาคิดในแง่เนี่ย เอาอยัางไงจะเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้กำลังปัญญามาไม่ต้องกลัวประเทศเล็กๆจะไปะชนะประเทศใหญ่ได้เนี่ยมันด้วยกำลังปัญญาอย่างเดียวกำลังเศรษฐกิจไปไม่ไหวตั้งแต่ยุคไหนมาแล้วมันก็คนมนุษย์เนี่ยสู้กันมาตลอดถ้าเราจะอยู่ในระบบแข่งขันเนี่ยเราก็บอกต้องเอาชนะแล้วการชนะต้องมีหลายกาลังกายกาลังทรัพย์ กำลังทรั์นี่มีกำลังยุทธโภปกรอะไรต่างๆนะมากมายอย่างตอนนี้ประเทศเราเล็กแค่นี้จะไปชนะเขายัางไงทรัพย์สินเงินทองกข้าไปไม่ไหวนะียยุธทธปภคกรก็ไม่ไหวไม่ต้องกลัวตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วทัพเล็กๆนิดเดียวชนะทัพใหญ่ได้ด้วยอะไรด้วยกำลังปัญญาใช่ไมนะแม่ทัพที่เก่งกาศ มีกําลังปัญญาดีนี่แกวางแผนปุ๊บเดียวเลยไอกองทัพใหญ่มีกําลังแสนคนแพ้กําลังหมื่นเดียวนะฮะสิบเท่าไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นกําลังปัญญาสําคัญที่สุดยิ่งในโลกปัจจุบันแล้วถ้าคนรู้จักพัฒนาปัญญานี่มันมีอุปรกรณ์เยอะเลยเนี่ยที่ฝรั่งญี่ปุ่นสร้างมาเนี่ยเรามาใช้เป็นปัจจัยไปเครื่องอุปกรณ์ในการพัฒนาปัญญาได้เพราะฉะนั้นเด็กไทยยุคปัจจุบันเนี่ยมีโอกาสดีที่สุดแล้วโชคดีมาก แต่ใช้โชคดีนี้ให้เป็นเอาความเจริญของเขาเนี่ยมาเป็นปัจจัยมาเป็นเครื่องเกื้อหนุนในการสร้างสรรค์ความเจริญโดยเฉพาะในการพัฒนาปัญญาแล้วถ้าเราพัฒนาปัญญาได้ดีสามารถเอาชนะด้วยปัญญาจําไว้ให้ดีเลยผู้ที่มีกําลังอื่นน้อยต้องเอาชนะด้วยกําลังปัญญาเท่านั้นถ้าคนไทยไม่สามารถพัฒนากําลังปัญญาขึ้นมาจะไปหวังเลยว่าจะชนะอะไรได้เอาหนะ้านี้เป็นเรื่องที่หนึ่ง นี้การพิสูจน์กําลังที่แท้จริงเนี่ยต่อไปในทางวัตถุศาสนากําลังปัญญานี่สูงสุดแต่การพิสูจน์กำลังที่แท้จริงมีสองอย่างหนึ่งคนที่มีกําลังที่แท้จริงคือคนที่มีอิสระนะคนที่ไม่เป็นอิสระยกตัวอย่างง่ายๆยังมีกําลังกายมากเป็นนักมวยนักกีฬาอะไรถูกมัดซะอย่างเงี้ยกําลังไม่มีความหมายเลยใช่ไหมเนะี อันี้ถ้าเราไม่ถูกมัดเราเป็นอิสระกําลังมีเท่าไหร่ก็ใช้ได้หมดนั้นพระพุทธศาสนาถือว่าอิสรภาพเป็นกําลังสูงสุด น, นี่ความหมายในทางศาสนานะท่านไม่ถือว่าการที่เรามีกําลังกายเข้มแข็งนั้นมันพอหรอกโดนเขาจับมัดก็หมดแล้วมีแรงเท่าไหร่ไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นกําลังสําคัญที่สุดกําลังที่แท้คืออิสรภาพความเป็นอิสระนะัเพราะฉะนั้น เช่นอย่างนักทางจิตใจถ้าจิตใจอยู่ใต้อำนาจกิเลสหมดกำลังเลยไม่มีความหมายทำอะไรไม่ได้และโดนความเห็นแก่ตัวครอบงำโดนความเกลียดคล้านครอบงำงี้ไปไม่รอดแล้วมีกำลังก็หมดความหมายนั้นกำลังที่แท้ต้องเป็นอิสระเช่นจิตใจเป็นอิสระจากกิเลสพ้นจากกิเลสแล้วตอนนี้แหละอย่างพระพุทธเจ้ามีกาลังเท่าไหร่จาริกไปได้ทั่วทั้งโลกเลย ไปทำเพื่อประโยชน์สุดแก่ชาวโลกเนี่ยมีกำลังมหาศาลเลยคนที่เป็นอิสระสองเครื่องพิสูจน์กำลังอย่างที่สองด้านที่สองก็คือว่าคนที่มีกำลังแท้จริงเนี่ยคือคนที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้ใช่ไหมนะถ้าช่วยคนอื่นไม่ได้มันก็ยังพิสูจน์กำลังไม่ได้จริงเหรใช่ไหมอันนั้นท่านจะพิสูจน์กำลังท่านต้องเป็นคนที่ช่วยเหลือคนอื่นได้นะ แล้วคนในสังคมของเรานี่มาช่วยเหลือกันได้แค่ไหนคนที่บอกว่ามีกําลังจะเป็นกําลังทรัพย์หรือกําลังอะไรก็ตามเนี่ยมาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อนสังคมประเทศชาติได้แค่ไหนถ้าผู้ใดได้ไปช่วยเหลือเขาก็แสดงตัวเองมีกําลังแท้จริงเนีเอาละกําลังมีหลายอย่างกําลังกายกําลังใจกําลังทรัพย์ก็จะว่าไปก็พูดได้แต่ไม่ต้องพูดก็ได้วันนี้กําลังกาย กำลังใจกำลังปัญญาเนี่ยมันมาตามธรรมชาติกำลังทรัพย์มันนอกกายนอกธรรมชาติแล้วก็กำลังปัญญาสูงสุดแล้วก็มาพิสูจน์กำลังด้วยความเป็นอิสระแล้วก็การที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้นนั้นเด็กไทยจะต้องพิสูจน์กำลังเขาตัวเองแล้วตอนเนี้ยว่าเรามีกำลังแท้จริงไหมจะสามารถสร้างสารรค์ประเทศชาติได้หรือไม่นี่ก็เป็นเรื่องที่ สนะแต่วันนี้หมดเวลาแน่นอนและก็เอาเป็นว่าวันนี้เรื่องวันเด็กก็ขอให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยได้มีกําลังที่แท้จริงนะอย่าไปพูดจะเพียงกําลังกำลังแล้วก็ไปเน้นแค่กําลังกายกําลังใจก็ไม่มีกําลังปัญญาก็ไม่มีแล้วก็กําลังร่วมกันก็กําลังสามัคคีนะกำลังสามัคคีแต่พิสูจน์กําลังด้วยความเป็นอิสระและการที่สามารถช่วยเหลือเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าในี่เป็นแบบอย่างแกเราเพราะพระองค์มีกำลังปัญญาสูงสุดแล้วตรัสรู้แล้วพระองค์ก็มีความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใต้อำนาจกิเลสเครื่องผูดมัดใดๆพระองค์จึงสามารถไปทำกำลังแสดงกำลังที่สองก็คือกำลังไปบำเพ็ญประโยชน์ทำเพื่อชาวโลกได้สเสด็ จ, จาริกไฟเพื่อประโยชน์สุขแก่หูชนเพื่อประโยชน์สุขกชาวโลกอันนี้เราสามารถ นำเอาองค์พระสัมมาสัพพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างกัเราได้เลยดังนั้นก็ขอให้เด็กๆทั้งหลายได้คติจากวันเด็กวันนี้ให้คุ้มค่านะจะมาแค่สนุกสนานอย่างเดียวแต่ว่าสนุกสนานก็ขออนุโมทนาด้วยก็ขอให้เป็นการสนุกสนานบันเทิงในธรรมแล้วต่อจากนั้นไม่จบแค่นี้เราได้กำลังที่เป็นปันจจัยเกื้อหนุนให้เราจเจริญงอกงามต่อไปและในเมื่อเราอยู่ในโลกนี้ ที่ยังมีการแข่งขันกันอยู่เราจะต้องเอาชนะด้วยปัญญาและเราจะต้องเอาความเจริญที่เขาสร้างมานั้นเป็นฐานที่เราจะขึ้นไปอยู่เข้างนั้นข้างบนแล้วก็ก้าวต่อไปนี่คือผู้ที่มีความฉลาดมีกำลังปัญญาที่แท้จริงแต่เราทำทั้งนี้ไม่ใช่เพื่อไปแข่งขันเอาชนะเขาหรอกในที่สุดก็เพื่อให้เราได้มีความสามารถไปช่วยเขาได้ในที่สุดคือคือว่ามาช่วยโลกนี้ ที่มันมีการแข่งขันแย่งชิงทะเลาะเบียดเบียนกันมากเนี่ยให้มันสงบสุขเสีทีแต่ถ้าเราไม่มีกำลังเอาชนะเขาไม่ได้ในตอนนี้เราก็ไปช่วยใครไม่ได้เราจะถูกครอบงาได้ซ้าไปเบื้องต้นเราก็เลยจาเป็นจะต้องเอาชนะแต่เราเอาชนะด้วยปัญญาและด้วยความสำนึกตลอดเวลาที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามเพื่อจะไปช่วยทำโลกนี้ให้มีสันติสุขสืบต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนา โยมญาติมิตรและสาธุชนทั้งหลายรวมทั้งเด็กๆนักเรียนเยาวชนที่ผู้ใหญ่ทั้งหลายมีเมตตาความรักโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่วันนี้มากมายหลายท่านก็คงได้พาลูกพาหลานมาก็ได้ความรักความเมตตาก็ขอให้เด็กๆเกนี้ยได้มีความทราบซึ้งในนับใจของคุณพ่อคุณแม่มีโยมท่านหนึ่งก็ฝากมาด้วยบอกว่าเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ย มีความรักความเมตตาก็ทำเพื่อลูกได้ทุกอย่างไม่เห็นแก่ความทุกข์ความลำบากของท่านเลยอของอะไรที่ท่านจะต้องใช้อาจจะต้องรับประทานเนี่ยพอลูกอยากได้พ่อแม่ก็ให้ได้ธรรมดาถ้าให้แล้วก็ต้องมีความทุกข์แต่พ่อแม่ให้แก่ลูกแล้วมีความสุขเพราะอะไรก็เพราะาพอ่พอแม่รักลูกนี่คุณพอ่อคุณแม่เนี่ยรักลูกให้แก่ลูกทาเพื่อลูกได้ทุกอย่างเราก็ต้องทราบซึ้งในน้าใจของคุณพอ่อคุณแม่ นี้ถ้าท่านทำด้วยใจของท่านแล้วเราก็มีความซาบซึ่งอย่างนี้ก็เป็นความดีเป็นความสุขด้วยกันพ่อแม่ก็สุขเราก็สุขแต่ทีนี้ว่ามีอันหนึ่งก็คือวันนั้นพูดกับโยมและโยมบอกว่าขอให้มาช่วยย้ำด้วยบอกว่าอย่าให้น่คือลูกเนี่ยบางทีถือโอกาสเลยพอพ่อแม่ทำให้เรามีความสุขพ่อแม่อยากทาให้รักเราก็เลยถือโอกาสและฉันสบายไม่ต้องทำ อย่างที่เขาเรียกว่าเอาเปรียบข้อแม่นะไม่คำนึงถึงพ่อแม่เลยว่าท่านจะทุกข์ยากลําบากอย่างนี้กลายเป็นขอภัยเป็นบาปไปแล้วนะเจตนาไม่ดีท่นั้นก็ต้องทราบซึ้งในน้ําใจคุณพ่อคุณแม่มีน้ําใจตอบแทนนะถ้าท่านจะลำบากเพราะเราทําให้เรามากต้องคิดเห็นใจท่านแล้วพยายามแบ่งเบาวภาระของท่านเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนแบบว่า หน้าที่ของลูกนั่นนะ่ะการปฏิบัติต่อลูกแสดงความเคารพน้ำใจต่อพ่อแม่อย่างหนึ่งก็คือการช่วยเหลือทําธุระการงานของท่านสมัยก่อนเนี่ยพอลูกโต น, นิดหนึ่งก็ลูกก็ช่วยและมีอะไรช่วยพ่อแม่ใดก็ช่วยทํากันไปช่วยทําก็แสดงน้ําใจของลูกด้วยพ่อแม่ก็มีความสุขมากขึ้นก็เป็นความสุขร่วมกันเนี่ยเราอย่าคิดเอาสุขฝ่ายเดียวนะต้องเป็นความสุขร่วมกัน ตั้งแต่ในครอบครัวเลยแม้แต่ในเรื่องความสุขก็อย่าให้เป็นความสุขฝ่ายเดียวต้องพยายามให้เป็นความสุขร่วมกันความสุขร่วมกันก็คือความสุขจากความรักความเมตตาการที่ให้แก่กันให้ทางเวลาบ้างให้ทางกำลังกายช่วยทำอะไรบ้าง ชวงพ่อแมนะ่ให้ทุกอย่างให้แต่แต่เงินทองลูกให้ไม่ไหวก็ให้ด้านกําลังกายบ้างให้เวลาบ้างให้น้ําใจบ้างก็ยังดีให้ความร่วมมือแสดงออกมาแล้วจะสุขด้วยกันครอบครัวก็มีความสุขเพราะครอบครัวสุขสังคมก็มีความสุขไปด้วยเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอส่งเสริมกําลังใจเด็กๆทั้งหลายขอให้เด็กๆทั้งหลายเนี่ยมีความสุขที่แท้จริง ซึ่งเป็นความสุขชนิดที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มออกนะเพราะความสุขบางชนิดของลูกนะพ่อแม่ยิ้มไม่ออกเชื่อไหมนะถ้าเป็นความสุขแบบนั้นขอให้ลูกเห็นใจจะทําทเลยเพราะทรมานน้ําใจพ่อแม่ขอให้ลูกมีความสุขที่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ยิ้มได้และคุณพ่อคุณแม่เป็นสุขด้วยขอให้เราเป็นสุขด้วยกันสุขในครอบครัวเป็นฐานของสังคมแสดงน้ําใจต่อกันอย่างที่ได้กล่าวมานนี้และก็ ลูกลูกวันนี้มีความสุขคุณพ่อกุณแม่ก็สุขแน่แต่ขอให้คุณพ่อคุณแม่ได้สุขระยะยาวก็คือลูกเนี่ยได้ประโยชน์จากงานนี้มีกำลังใจที่จะไปศึกษาเล่าเรียนทำการสร้างสารรค์ต่างๆมีชีวิตที่ดีงามในอนาคตให้คุณพ่ อ, อคุณแม่มองไปขา้างหน้าได้ความหวังในอนาคตของลูกแล้วยิ้มออกปลื้มใจว่าลูกของเราเนี่ยจเจริญงอกงามมีความสุขในอนาคตแน่ และความสุขจะมีอย่างพร้อมบริบูรณ์ก็ขอโนมโมทนาอีกครั้งหนึ่งและบัดนี้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วก็ขออาราธนาคุณพระตนตรัยอวยใยให้พรอภิบาลรักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตั้งแต่เด็กๆ เ, เป็นต้นมาพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ของหนูหนูคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายญาติมิตรทั้งหลายทุกทุกคนจกระทั่งว่าคนไทยทั้งหมดทั่วประเทศนี้แล้วก็ทั้งโลกนี้ ก็จงได้เจริญงอกงามด้วยเจตุรพิทธพรชัยมีความเบิกบานผ่องใสทั้งพรั่งพร้อมด้วยกําลังกายกําลังใจกําลังปัญญากําลังความสามารถขี่ที่จะดําเนินชีวิตประกอบกิจอาชีพการงานให้ก้าวหน้าบรรลุผลสําเร็จสงความมุ่งหมายอย่างประโยชน์สุขให้สําเร็จแก่ชีวิตของตนแก่ครอบครัวแก่สังคมประเทศชาติ และให้โลกนี้ทั้งหมดมีสันติสุขร่มเย็นทั่วกันตลอดการทุกเมือ่อตลอดปีใหม่นี้และตลอดไปเทิน